คู่มือชีวิตหมวดที่11การดูแลผู้ป่วยจากหนังสือธรรมกคาถาสำหรับญาติผู้ป่วยสมเด็จพระพุทธโฆษ า, าจารย์ป อ, อประยุทธ์โตจัดจะทำโดยศสิธรรัตน ก, กษินโชคชัยอัศวนรงค์คุณแม่ดาราอติชนและร้อยเอกภูริวัตรรำพึงกิจ ถ้าหากว่าใจพลอยป่วยไปด้วยกับกายก็จะทำให้ความป่วยหรือความเจ็บนั้นทับทวีขึ้นซ้ำเติมตัวเองแต่ถ้ากายป่วยเป็นเพียงส่วนหนึ่งใจไม่ป่วยไปด้วยใจนั้นจะกลับมาเป็นส่วนช่วยดึงไว้ช่วยอุ้มชูคำประครับประคองกายไว้ยิ่งถ้ามีกำลังใจเข้มแข็งก็กลับมาช่วยให้ร่างกายนี้แข็งแรงขึ้น เรื่องธรรมกถาสำหรับญาติของผู้ป่วยขออนุโมทนาในการที่อาจารย์ได้นิมนต์อัตมามาทั้งสองในนามของพระสงฆ์มารับสังฆทานซึ่งอาจารย์ได้จัดถวายร่วมกับญาติพี่น้องเป็นการทำบุญแทนคุณพ่อในขณะที่ท่านเจ็บไข้ได้ป่วยโดยมีความระลึกถึงท่านมีจิตใจที่รักและมีความผูกพันต่อท่านหวังจะให้ท่านหายจากความเจ็บป่วยนี้ ในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนสิ่งที่จะเป็นเครื่องบำรุงจิตใจที่สำคัญก็คือการทาบุญการที่ได้มาใกล้ชิดพระรัตนตรัยได้อาศัยอนุภาพบุญกุศลและอาศัยพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณเป็นเครื่องอภิบาลรักษาในยามเจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งเป็นเวลาที่สาคัญนี้เรื่องของจิตใจก็สาคัญมากทั้งจิตใจของผู้ป่วยและจิตใจของญาติ ตลอดจนท่านที่มีความเคารพนับถือซึ่งพากันห่วงใยการรักษานั้นก็ต้องรักษาทั้งสองอย่างคือทั้งกายและใจส่วนที่เป็นโรคอย่างแท้จริงก็คือด้านร่างกายแต่ในเวลาที่ร่างกายเป็นโรคนั้นจิตใจก็มกักปลอยป่วยไปด้วยคือจิตใจอาจจะอ่อนแอลงหรือแปรปรวนไปเพราะทุกขเวทนาหรือความอ่อนแอของร่างกายนั้น จึงมีพุทธพจน์ที่ตรัสสอนไว้ให้ตั้งจิตตั้งใจว่าถึงแม้ร่างกายของเราจะป่วยแต่ใจของเราจะไม่ป่วยไปด้วยพระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้อย่างนี้เพื่อให้ส่วนหนึ่งแห่งชีวิตของเรายังคงความเข้มแข็งไว้ได้แล้วใจก็จะช่วยร่างกายด้วยถ้าหากว่าใจปล่อยป่วยไปด้วยกับกาย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 คนไข้จะต้องการกำลังใจมากถ้าไม่สามารถจะมีกำลังใจด้วยตนเองก็ต้องอาศัยผู้อื่นมาช่วยผู้ที่จะช่วยให้กำลังใจได้มากก็คือญาติพี่น้องคนใกล้ชิดทั้งหลายเพราะฉะนั้นทางพระหรือทางธรรมจึงได้สอนผู้ที่ใกล้ชิดให้มาให้กำลังใจแก่ผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยข้อสำคัญก็คือว่าผู้ที่เป็นญาติของท่านผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยนั้น มีความรักมีความห่วงใยต่อท่านผู้เจ็บไข้เมื่อเป็นอย่างนี้จิตใจของผู้ใกล้ชิดที่เป็นญาตินั้นบางทีพลอยป่วยไปด้วยพลอยไม่สบายไปด้วยเลยไม่สามารถจะไปให้กําลังใจแก่ท่านที่เจ็บป่วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สาคัญจึงจะต้องมีวิธีการที่จะทำให้จิตใจเข้มแข็งให้จิตใจสบาย เมื่อจิตใจของเราที่เป็นญาติเป็นผู้ที่ใกล้ชิดที่หวังดีนี้เข้มแข็งสบายดีก็จะได้เป็นเครื่องช่วยให้ท่านผู้เจ็บป่วยนั้นลอยมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นด้วยในยามเช่นนี้การวางจิตใจจึงเป็นเรื่องสําคัญเรื่องการรักษาทางด้านร่างกายนั้นก็เป็นภาระของแพทย์ที่จะพยายามจัดการแก้ไขไปตามวิชาการตามหลักของการรักษาแต่ทางด้านญาติของผู้ป่วย ต้องถือด้านจิตใจนี้เป็นเรื่องสำคัญนอกจากการที่จะคอยเอื้ออานวยให้ความสะดวกและการดูแลทั่วๆไปแล้วสิ่งที่ควรทําก็คือการรักษาทั้งจิตใจของตนเองและจิตใจของผู้ป่วยให้เป็นจิตใจที่เข้มแข็งในด้านจิตใจของตนเองก็ควรให้มีความปลอดโปรง่งสบายใจอย่างน้อยก็มีความสบายใจว่าเมื่อท่านผู้เป็นที่รักของเราป่วยไข้ เราก็จะไม่ได้ทอดทิ้งท่านแต่เราได้เอาใจใส่ดูแลรักษาอย่างเต็มที่เมื่อได้ทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่แล้วก็สบายใจได้ประการหนึ่งแล้วว่าเราได้ทำหน้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุดเมื่อได้ทำหน้าที่ของตนเองแล้วก็มีความสบายใจขึ้นมาความเข้มแข็งที่เกิดจากความสบายใจนั้นก็จะมาคอยช่วยคอยเสริมคอยให้กาลังใจ ไม่ว่าท่านผู้เจ็บป่วยจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามคนเรานั้นเรื่องจิตใจเราทราบไม่ได้บางทีรู้ในทางประสาทสัมผัสไม่ได้แต่มีความซึมทราบอยู่ภายในแม้แต่คนที่ไม่รู้ตัวแล้วในบางระดับก็ยังมีการฝันบ้างยังมีความรู้สึกรับรู้เล็กเน้อยๆอยบางทีเป็นความละเอียดอ่อนในทางการรับสัมผัสต่างๆในทางประสาทในทางจิตใจ จึงอาจจะได้รับรัศมีแห่งความสุขสบายใจทำให้มีกำลังใจขึ้นมาอย่างน้อยก็ทำให้ไม่มีห่วงมีกังวลใจก็จะเข้มแข็งขึ้นความปลอดโปรง่งความสบายใจจิตใจที่ผ่องใสเบิกบานนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามคนเรานั้นเรื่องจิตใจเป็นสิ่งสำคัญอย่างที่ได้กล่าวมาแล้ว การที่ลูกหลานผู้ที่ใกล้ชิดมาคอยเอาใจใส่ดูแลถึงกับได้สละการงานอะไรต่างๆมาก็เพราะจิตใจที่มีความรักกันมีความห่วงใยกันนี่หละแต่ในเวลาเดียวกันนั้นเองเพราะความรักและความห่วงใยกันนี่หละก็อาจจะทำให้จิตใจของเรานี้กลายเป็นจิตใจที่มีความเร่าร้อนกระวนกระวายไปได้เหมือนกันสิ่งที่ดีนั้น บางทีก็กลับเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์อย่างที่ทางพระท่านบอกว่าความรักทำให้เกิดความทุกข์เพราะว่าเมื่อรักแล้วมีความผูกพันก็ทำให้มีความกระทบกระเทือนเกิดขึ้นได้ง่ายที่นี้ทำอย่างไรจะให้มีความรักด้วยแล้วก็ไม่มีทุกข์ด้วยก็ต้องเป็นความรักที่ประครับประคองทำใจอย่างถูกต้อง เมื่อทำได้ถูกต้องแล้วก็จะได้ส่วนที่ดีเอาแต่ส่วนที่ดีไว้ให้มีแต่ส่วนที่มีความดีงามและความสุขความรักนั้นก็จะเป็นเครื่องช่วยให้เกิดความผูกพันแล้วก็ทำให้มาเอาใจใส่ดูแลกันและทีนี้ความรักที่เราประคับประคองไว้ดีก็จะทำให้จิตใจปลอดโปร่งผ่องใสเป็นไปในแง่ที่ทำให้เกิดกำลังในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ฉะนั้นจึงควรพิจารณาทำใจอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราถูกต้องหรือไม่สำรวจตัวเองเมื่อทำหน้าที่ถูกต้องแล้วก็พึงสบายใจในขั้นที่หนึ่งต่อแต่นั้นก็มองในแง่ที่ว่าการที่จะไม่สบายใจหรือมีความรู้สึกทุกโศกอะไรนี้ไม่สามารถช่วยท่านผู้ที่เจ็บไข้นอนป่วยอยู่ได้ สิ่งที่จะช่วยได้ก็คือขวัญหรือกำลังใจที่ดีและความปลอดโปร่งเบิกบานผ่องใสแม้แต่ในส่วนของตัวเราเองการที่จะคิดอะไรได้ปลอดโปร่งคล่องแคล่วก็ต้องมีจิตใจที่สบายสงบด้วยถ้ามีความกระวนกระวายเช่นความกระสับกระส่ายทางกายก็ตามทางใจก็ตามก็จะทำให้คิดอะไรไม่คล่องและก็จะทาอะไรไม่ถูกต้องด้วย ถ้าจะทำให้ได้ผลดีก็ต้องมีจิตใจที่สงบและเข้มแข็งปลอดโปรง่งมีความเบิกบานผ่องใสจึงจะทำให้เกิดเป็นผลดีเพราะฉะนั้นหลักการสำคัญก็คือให้ส่วนที่ดีนำมาซึ่งส่วนที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปคือความรักที่มีต่อคุณพ่อที่เจ็บไข้ได้ป่วยนั้นเป็นส่วนที่ดีอยู่แล้วจึงควรให้เกิดความเบิกบานผ่องใสของจิตใจ แล้วก็เอาจิตใจที่ดีงามนี้มาคิดไตรตรองพิจารณาในการที่จะคิดแก้ไขสถานการณ์ในการที่จะจัดการดูแลเอาใจใส่ดาเนินการรักษาต่างๆตลอดจนทำสภาพจิตใจของตนให้เป็นจิตใจที่จะช่วยเสริมให้จิตของท่านผู้ป่วยได้มีความสบายใจสมมุติว่าท่านผู้ป่วยได้ทราบถึงลูกหลานที่กำลังห้อมล้อม เอาใจาใส่คอยห่วงใ ย, ยท่านอยู่ท่านก็จะรู้สึกว่าลูกหลานรักท่านและท่านก็จะมีกําลังใจพร้อมกับมีความสุขขึ้นมาส่วนหนึ่งในเวลาเดียวกันถ้าลูกหลานทั้งหมดนั้นมีจิตใจที่สบายท่านก็จะไม่ต้องห่วงกังวลก็จะเป็นเครื่องช่วยให้จิตใจของท่านสบายด้วยเมื่อท่านมีจิตใจที่สบายมีกาลังใจที่เข้มแข็งก็จะเป็นเครื่องช่วยในการรักษาร่างกายของท่านอีกด้วย โดยเฉพาะในตอนนี้นอกจากจะพยายามทาใจหรือคิดพิจารณาไตรตรองให้จิตใจเข้มแข็งแล้วก็ยังได้อาศัยอนุภาพของบุญกุศลและพระรัตนตรัยช่วยเหลืออีกด้วยกล่าวคือในขณะนี้เราไม่ได้อยู่เฉพาะตัวลําพังจิตใจผู้เดียวเท่านั้นแต่ยังมีอนุภาพของบุญกุศลช่วยหล่อเลี้ยงด้วยอาจารย์และคุณพี่และญาติทุกคนมีความห่วงใ ย, ยรักในคุณพ่อ และก็ได้ทำบุญแทนคุณพ่อแล้วจึงขอให้อา น, นิสงส์อนุภาพของบุญกุศลที่ได้ทำนี้จงเป็นเครื่องช่วยเสริมกำลังใจของท่านด้วยโดยเฉพาะขอให้ทุกท่านตั้งใจรวมจิตไปที่ตัวคุณพ่อขอให้อนุภาพแห่งบุญนี้เป็นเครื่องบำรุงหล่อเลี้ยงรักษาตัวท่านเมื่อมีการทำบุญก็จะมีการที่ได้บูชาเคารพพระรัตนตรยัยพระรัตนตรัยนั้น เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวที่ลึกซึ้งที่สุดในทางจิตใจเมื่อเราเข้าถึงพระรัตนตรัยแล้วจิตใจก็จะมีความเข้มแข็งมีกำลังมีความสงบมีความร่มเย็นเกิดขึ้นก็ขอให้ความร่มเย็นนี้เป็นบรรยากาศที่แวดล้อมหมู่ญาติทั้งหมดพร้อมทั้งคุณพ่อช่วยประครับประคองหล่อเลี้ยงให้ท่านฟื้นขึ้นมาโดยมีความเข้มแข็งทั้งในทางกายและทางจิตใจ ในโอกาสนี้อาตมาขออนุโมทนาอาจารย์พร้อมทั้งคุณพี่และญาติทั้งปวงที่ได้ทาบุญถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ซึ่งเป็นเครื่องที่จะทำให้เกิดความดีงามแห่งจิตใจหล่อเลี้ยงจิตใจให้เกิดความสดชื่นผ่องใสมีความสุขมีความปลอดโปร่งเบิกบานและมีความสงบก็ขอให้จิตใจที่เบิกบานมีความเย็นมีความสงบนี้นามาซึ่งผลอันเป็นสิริมงคล คือความสุขและความฟื้นฟูร่างพร้อมด้วยสุขภาพทั้งกายและใจต่อไปต่อแต่นี้ไปขอเชิญรับพรและขอให้เอาใจช่วยคุณพ่อขอให้ท่านได้อนุโมทนารับทราบและขอให้ทุกท่านได้ช่วยกันสร้างบรรยากาศแห่งความสงบความแช่มชื่นเบิกบานพองใสยิ่งยิ่งขึ้นไป